คือหลักพุทธศาสนาทำจริงจังเหมือนกันแต่ว่าการกระทําอย่าให้ประกอบด้วยความอยากครับทําเพื่อการปล่อยวางนี่จะทําอะไรก็ทําได้แต่ทําด้วยการปล่อยวางอ่าพระพุทธเจ้ า, ท, าท่านสอนอย่างนั้นอย่างนั้นมันเหนื่อยที่กาลังใจมันก็ไม่มีนะอืมที่ว่าเราธรรมราโลกของเรานะ ทำที่นี่เพื่อจะอยากได้นั้นมาอย่างไปหาคนหมอผู้ในการนี่ก็คงอยากได้อันใดจริงจึิงไปหานะเนอะมันมุ่งอย่างนี้เลยมากเอกอัลทางานทุกประการนั้นเพื่ออยากใด้มันได้อันนั้นอย่างนี้มันเป็นเครื่องยึดเต็มที่ของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราทํางานตามหน้าที่ของเรา คิดว่าเราทําอย่างงี้นะอืเราทํางานที่มันถูกต้องที่มันสบายจริงๆนะให้มันเป็นสมาธิคือความถูกต้องอย่างเราปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งนะแต่เราอยากจะได้ผลมันทํำยังไงเราถึงจะสบายเราจะปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งมันเป็นภาระเด็วก็เป็นธุเลหน้าที่ของเรานะ จะไปหาต้นไม้มากกว่าเป็นธุระของเราจะมาผดหลุมก็เป็นธุระของเราจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาเอาดินกรกเข้าไปก็เป็นธุระของเราให้น้ําก็เป็นธุระของเราให้ปุ๋ยก็เป็นธุระของเรานะอืรักษาแมลงต่างๆก็เป็นเรื่องของเราหยุดแล้วพอเรื่องต้นไม้มันจะโตเรียวตัวชาญมันใช่เรื่องของเรานะปล่อยวางให้ไปตัวนั้นน่ะแล้วพยายามทําเหตุบันที เราทักษาเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราอย่าเป็นึกว่าเอ้เมื่อไรมันจะเป็นผลเมื่อไรมันจะโตเมื่อไรมันจะอานอย่าไปคิดที่มันไม่ใช่เรื่องเรามันจะเรื่องของต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้แล้วนะไอ้ต้นไม้มันจะโตเร็วโตช้าเหตุอยู่ที่เราแล้วเราพยายามทําเหตุอันนี้ให้มันเหมาะสมคนดีให้น้ํามันไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้มันไปให้มันดีเรียบร้อยไอ้เรื่องต้นไม้จะโตเร็วโตช้านี่ย ให้มันเป็นเรื่องของต้นไม้มันไม่ใช่เรื่องของเราแต่มันเกีย่ยวข้องกันภายในของมันนะถ้าเราถ้าเรารักษาดีเนี่ยไอ้ต้นไม้ก็เป็นแปลตามสภาพแบบนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ก็มันก็สบายถ้าเราคิดว่าทางเราปลูกมันทางเราให้ปุ๋ยมันลดน้ำมันทางเราจะไปรีบบีบขั้นต้นไม้ให้มันโตวันซ่องวันมันก็ทุกเลยนี่ธุรนาทีของเรามีเท่านี้ เรื่องเจตัวเรียวตัวช้างมันเรื่องของต้นไม้อย่าไปคิดให้มันมากถ้าเหตุมันดีแล้วผลเราก็ต้องดีเพราะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุมันอย่างนี้อย่างหน้าที่การงานของเราเราก็ทําไปเหมือนกันไอ้ผลมันที่จะต้องรับมันก็เกิดจากเหตุวันนี้เองเราทําอย่างนี้ให้มันมากไอ้เรียกว่าทําด้วยการปล่อยวางถ้าเราทําไปเชนี้ก็เราก็ทําธุระหน้าที่ของเรานะมันก็สบาย ถ้าเราเอาไปธุรนนาทีของขอ ง, ของต้นไม้มาทํามันก็ยุ่ง oh. นะไอ้ส่วนนั้นต้นไม้ก็เห็นต้นไม้ก็ ท, ำทํนนทำนาทีของเขาไปอย่างนี้ออชวนตัวเราทําหน้าที่ของเราถ้าหน้าที่ของเราดีขึ้นต้นไม้ก็ดีขึ้นมันก็ทําหน้าทีของมันเต็มที่เหมือนกันนะ oh. ก็เพราะอั น, นันมันเป็นผลเหตุมันเกิดจากการกระทําเราเท่านี้เนะี่ยถ้าคิดท่านี้ทุกๆกคนมาพยายามคิดมันก็เบาใจนะจะทําการงานตามหน้าที่ของเรา เดี๋ยวเราโดดผ้าไปเอาหน้าที่ของตนไม่มาทํามันก็ยุ่งดีอืมเดี๋ยวไปดูวันนี้ก่อ่ไปดูตังนี้ก่อไปดูหนี้ดีกว่าใ <c oughs> ห้ <c oughs> ไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับอนะทํามันมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ทำทำงานที่ถูกต้องก็ตรงเป็นอย่างนั้น <c oughs> รี่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิมันใช่เป็นสิ <c oughs> สัมมาชีวะเรที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าสิ่งธรรมดามันกวนเนี่ยแมลงไหมมันโผล่ มันก็ดวรทําใจให้ไอ้คนที่ปลูกต้นไม้น่ะไม่สบายใจนะมเมื่อเราทําเหตุการณ์อย่างนี้ที่เราทํามีการงานรวมกันใน ห, หลายกลุ่มถ้าเราจะทําก็มันจะดีขึ้นบแบบไหนอะไรมีขัดมากขวางนั่นไม่ใช่คนใดกต่คนหนึ่งอยู่ในเมื่อสกิดใจของเราอย่างเนี้ยเราก็ถือว่าเรื่องอันนี้มันเรื่องเป็นธรรมราของมันเรื่องยินทากับเรื่องสรรเสริญมันเป็นคู่กัน ถ้านินทาไม่มีสันตเสริญก็ไม่มีสันตเสริญไม่มีนินทาก็ไม่มีเราจะต้องสู้ในสองแง่นี่ให้ได้ว่าเมื่อเขานินทานั่นก็คือเขาช่วยเราเตือนเราสันเสริญรับขึ้นมาก็าช่วยเราเตือนเราแม่ของเตือนเราเท่านั้นเนี่ยแต่คนเราไม่คิดอย่างนั้นนี่ถ้าเขานินทาเราไม่ชอบนะโหล ด, ดหนักใจถ้าเขาสันเสริญก็หายใจลงสักหน่อยเหนื่อ มันต้องเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จะแบบของสองอย่างมันคู่กัน<ม>อย่างที่ว่าเราทํางานที่ถูกไนะมันต้องผิดมาก่อน<ม>ถ้าผิดแล้วรู้จับถูกถูกแล้วรู้จับผิดถ้าไม่รู้จะผิดก็ไม่รู้จะถูกมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนี้แท้ถ้าเรารู้อย่างเนี้ยถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ก็เลยเอกรารปล่อยวางนันนัก็ค่อยทยอยมาตามเรื่องของมันเป็นไปอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนคนเดียวนะทุกคนเนี่ยพยายามทําอย่างนี้ พยายามคิดอย่างนี้อเยอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสอนว่าทําอย่างนี้มันดีแต่ว่าทำสองคนสามค น, ค น, ค, นคนอื่นไม่รู้เรื่องมันไปทำสิ่งที่ไม่ดีมามันกวนกันเป็นธรรมดาลแล้วก็ถือว่าอันนี้โลกเมืองโลกไม่ใช่เมืองผลิพานแค ต, ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ที่นี่มีคนนินทาเราสู้ไม่ได้ไปอยู่ข้างหน้าก็มีอีกคนนินทาในตัง้งปอบโยนนินทาเรา อ, อยู่เอา้า สันติสุขมีนี่นินทาก็ามีมันเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้อย่างนั้นเราก็ว ก, กมาแก้สิ่งทั้งสองอย่างนี้แหละที่มันเป็นคู่กันอยู่เนี่ยจะ อ, อะไรโดนๆไม่ได้หรอกไม่ได้จะต้องมีอย่างนี้เรื่อยไปเป็นอุปสรรคนี่นเรื่องอุปสรรคเราจะต้องทํางานจะต้องผ่านอุปสรรคถ้าไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ก็ไม่ได้คิดนะเออมันมีทุกข์มันได้คิด ท่านจริงว่าทุกขัสัจพระพุทธเจ้าว่าทุกขัสัจเป็นสัจธรรมมันเป็นของจริงทุกขัสัจถ้าเราคิดไปตามธรรมตามธรรมะแล้วนะ่ะใจเราก็ฟลอยสบายนี่มันสอนใจเราไปด้วยสอนใจเราไปด้วยอเราก็คิดแต่ส่วนน้อยเท่าอ่ามะม่วงต้นหนึ่งเราปลูกคนมาหวังผลมนะันนะนะมันได้รับผลทุกทุกลูกไหม โอ้โกลัวมันจะได้ทานไอไอไอธนที่มันสุกเน่ยมันทิ่งไปกี่ลูกกี่ใบก็ไม่รู้ทามันเป็นอย่นั้นโอ้โหทามะโมงนี่มันโดนที่งหมือที่เรือมันจะเป็นยังไงเออมันโดนไปด้วยมันตกไปด้วยแล้วก็ปูไปด้วยแต่เราก็ได้ทานผลพะ่วงทุกวันนี่ก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าไป็นเหตุนะโอ้โหมันโลดนที่เหมือนก็ไม่ได้กินมะ่วงกันเลยมันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้ในเราย้อนมาหาเหตุมันจด้เหตุมัน แล้วย้อนมาเหตุมันอย่างนั้นเรื่อยๆไปเขาว่ามันอยู่ในที่ดีครับไม่น่าคนจะไปคิดไปค้นเห็นมันอย่างนะ้นนะไม่สะดวกตรงทําที่มันไม่สะดวกให้มันสะดวกขึ้นมาไอ้ความจริงถ้าเราทําที่มันถูกต้องมาเนี่ยมันมีที่ไปของมันทุกคนทีนี้ถ้าหากว่าเรายที่นี่มันนินทาเราทําทำได้ไหมเราจะทนสู้ถ้าเราไม่แก้เราก็ทุกข์จนตายทุกข์จนตายบางคนถาม อตาตมาวะนุ่มพ่อนี่ไม่ฆ่าสัตว์กินจะทำไงนี่ยุงก็ไม่ค่ามันกัดเรานนิยุงคนคนฆ่ายุงมากี่ปีแล้วผมฆ่ามมนแจ่รู้ลิงสาองฆ่ายุงหมดหรือเปล่านี่ถึงคนจะชีวิตนี่ยุงจะนั่งฆ่าจตยุงยุงมันก็ไม่หมดถ้ามันไม่หมด ถ้ามันไม่หยุดยุงไม่หยุดก็หยุดกว่าหยุดซะดีกว่าก็ไม่มีอะไรกันนี้ถ้าเราไปสู้อย่างนี้มันก็แพ้มันเหื่อยไปดีหาอยากันยุงมาตรีหามุ่งมาตรีหาอะไรมาตรีสัตย์เดชานนั้นน่ะมันเห็นที่กินของมันนั่นก็กินมันก็กินมันดูสัพภาษาณ์มันเป็นยังไงมันก็กินการหากินของยุ่งเราก็ต้องมีความรู้สึกหรือคิดเหนือกฎสัตว์เดชานที่เราจะไปเล่นการยุ่งมันก็แพ้มันเหนื่อยไปแล้วจะทํายังไง อันนี้อาจามาพูดแต่ยุงคิดล็อกแต่ยุงจะฆ่าก็ฆ่าครับแต่ว่ามันไม่หมดรับรองว่ามไม่หมดยุงเ้วจะสู้ก็สิ่งมันหมดไปได้อย่างงเมื่อไรมันจะจบเรื่องมันไม่จบยุงจะฆ่ายุงจะฆ่าอยู่ไงมันจบให้มันหมดเรื่องยุงหมดไมันก็เป็นอยู่อย่างนี้สถานที่มียุงอย่างเมืองไทยแล้วนี่อย่างนี้อันนี้อาจามาว่าเราก็เขาไม่หยุดเราก็หยุดตั้งแตก็หมดเตั้งเนาะ เรามีปัญญา ล, ล้วก็หลีบเลี่ยงไปซะจะทำงานจะไดไม่ได้ฆ่ า, ายุ่งอย่างนี้อย่างนี้อเห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนละเอียดเกินไปนะละเอียดเกินไปไม่ค่าถึงยุงยงไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ความคิดของเราถ้ายุงมันจะคิดมวมามนุษย์จะ ม, มีประโยชน์เหมือนกันเนี่ยจะทํำยังไง อันนี้มันพูดคนเดียวเราอย่างนี้นะอย่างนี้เราคิดวกไปวนมาดูไปดูมาอย่างนี้นะเราก็รู้เรื่องของมันอีมันเป็นอย่างนี้แม่ชีวิตของยุงถ้ายุงมันไม่มีประโยชน์นะมันจะมากินเลือดเราทำไมเนี่ยนี่แหละประโยชน์ของมันมันต้องหากินของมันอย่างบ้านเราหลังหนึ่งเราปลูกบ้านเราอยู่ะไม่ใช่บ้านเราอยู่ด้วยนะจริงจบมันไปมาอยู่ด้วย ตุ๊กแกมันก็มาอยู่ด้วยหนูมันก็มาอยู่ด้วยซึ่งมันไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครไม่รู้ว่าเป็นผ้านใดเห็นที่มันล่มกันอันตรายต่างๆมันก็ขึ้นไปอยู่ท่านั้นแหละแต่ว่ามาอยู่เชื่เสืก็ดีมันกัดเสือกัดหมอนผมเนี่ยอ้าวยุงหนูมันไม่รู้เรื่องมันกัดเสือกัดหมอนมันกัดไปทำประโยชน์มันเอาไปทำรังมันมันเอาไปให้ลูกมันกิน มันไปทําที่นอนมันตั้งหากแล้วไม่ใช่ว่ามันจะมาแย่งเรามันทําไปตามธรรมชาติมันถ้าเรามีปัญญายิ่งกว่าสัติ์เดชาแล้วก็ต้องอะไรคุ้มกันมันที่เรามีปัญญาอย่างนี้มันจะหมดดื่นปัญญามั้งอย่างนี้อันนี้ไม่ค่อยจะย้อนมานะมันก็ลำบากเหมือนกันธรรมะทันย้อนมาอย่างนี้คือความอยากตั้หานี่ตั้หาคือความอยากถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็ระงับดูได้ ตัณหาตันแปลว่าความอยากเนี่พระไกรปีดกในในคัมภีรแต่ในการภาวนาของอมตมาไม่แปลอย่างนั้นหรอกแปลว่าตัณหานี่คือความอ้าไว้อ้าอย่างอ้าเหมงครับนะี่ยอันนี้อันนี้ตัณหาของกรรมาฐานภาวนานะแปลว่าความอ้าไว้นัตติตัณหาสมานตีแม่น้ําเสมอโดยตัณหาไม่มีแม่นม้ําทางพวงไม่เสมอโดยตัณหา การอ้าไม่งับนี่แหละทุบไม่หยุดอยากให้ปากเราไม่ใช่อยากท้องเราไม่ใช่อยากมันพอเป็นถ้าท้องไม่พอก็คงทานข้าวไม่อยู่สิเห็นไหมนี่ปากเราก็พอเป็นมันไม่เป็นตันหาหรอกท้องมันก็พอมันเป็นแต่สิ่งที่ไม่เป็นตันสิ่งที่เป็นตันหาไม่ใช่ท้องไม่ใช่ปากความอยากไม่ใช่มีตัวมีตัวมันอ้าไว้ อาตมาไคยเปรียบสุนัขให้ฟังสุนัขมันกินข้าวนี่ตะโกงตะการมันกินทนายก็กินได้หมดเอาให้กินสองจานสามจานมันก็หมดสี่จานห้าจานหยุดแล้วอิ่มนี่อิ่มแล้วท้องมันอิ่มปากมันก็อิ่มแต่ความอยากมันมีอยู่มันอ้าเอาวางไว้ต่อหน้ามันมันก็นอนเฝ้าจานข้าวอยู่นั่นแหละสุนัขอื่นมันหิวหิวมามันก็ไม่ไม่ย่อไม่กินเนาะเมื่อมาตือนจานข้ามันก็บอก ไรมาแสดงว่าทองมันไม่เป็นตัญหาะปากไม่เป็นตัญหานมันอิ่มได้แต่ไอความรู้สึกนึกคิดที่รู้สึกนั่ยมันอยากมันอ้าอยู่เสมอพระพุทธเจ้าอาจารเจีงบอกว่านัตถิตัญหาสมาณทีแม่น้ำเสมอด้วยตัญหาไม่มียิ่งทามันอ้าไว้มันไม่พอแหละไม่พอไม่เต็มทิงที่มันไม่เต็มคือไม่งับ เออมันไม่งับถ้ามานับเอาน้ําเทลงไปมันก็ไหลออกตรงนั้นถ้าเราอ้าไว้มันเข้าไปขังตรงนั้นไม่พอไหลไปด้วยเยมันไหลไปอย่างนี้ถ้าเราคิดเช่นนี้แต่ก็เป็นยังไงนี่นี่มันเป็นอย่างนี้ไม่พอมีทางนี้มันก็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนั้นก็อยากได้อันนี้อยู่อย่างนี้เหมือนกับคนที่อยากมีชีวิตอยู่ไม่เห็นความตายของเราเะอืมเมื่อเป็นไข้จนจะตายมาเขาไปโบนบาลซานเก่าโอ้ยทีนี้ขอทีเธอะ ถ้าจะเอาไปดีๆอีกสักหน่อยครั้างหน้าเถอะ ห, หายไปแด้วที่นี้นะวันหลังป่วยมาอีกขออีกทีเถอะอย่าพึ่งมาเอาฉันเลยขอทีเถอะแล้วมันก็หยุดไปอีกตามธรรมชาติมันนะอืแข็งแรงขึ้นมาอีกนะก็เ น, นื้อว่าคนอันตรายแล้วไอ้ความจริงอันตรายมันยังมีพ้นมันยังไมีใต้ต่อไปอีกก็เรียวแรงมาอีกเป็นไข้ไปอีก ขอทีเธออย่าพึ่งมาเอาเลยไอ้ที่ขอเด็กคือมันอ้าอย่างเงี้ยมันไม่จบสะทีขอไม่น่าที่ได้บ่กขอทีเธอครั้งนี้ครั้งที่สองขอเธอครั้งที่สามเธอครั้งที่สี่ซึ่งเอาไปครั้งที่สี่ก็ไม่ให้อีกครั้งที่ห้าที่บอกไม่ให้ตังก็คือคนไม่อยากจะตายเองพูดง่ายๆแตนี่คือความอยากอะไรในชีวิตอันนี้อุปมาอุปไมยมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่า ค, ความอยากนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทําความรู้สึกทําปัญญาให้เกิดขึ้นมา ให้รู้เท่ากับปัญหานั้นอันหนึ่งมันก็ทุกตลอดไปมันก็ทุกตลอดไปตัญหานี้ก็ดีว่าไอความอยากไอคนนั้มันก็อยากนะตัญหานี่คือมันไม่พออยากไม่พอพูดสองศัพท์กับปัญต์ดีกว่ามันอยากไม่พอแต่หากว่าเราปราศจากตัญหาเราก็มีความอยากแต่มันอยากมันพออยากมันพอเบ็ด ต่านหานี่อยากพอไม่เบ็อย่างนี้อแบกขึ้นไปเรื่อยไปที่นี่ก็บนเอาให้มากมันก็หนักมากแต่เอาให้มากคนไม่อยากให้มันหนักเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันเป็นไปอย่างเนี้ยมันไม่เข้ารู้เข้าวิธีมันแบกแนวเรื่อยไปล่ะไอ้ทางที่ตูกมันก็่เคยคิดเข้ามาไม่เคยคิดเสมมาไม่เคยก้นทว่าหาความจริงของมันถ้าความจริงถ้าเราเห็นความจริงของมันแล้วมันก็นไม่มีอะไรบ้างไหม อย่างนี้มันถึนที่สุดมันอย่างนี้อือันนี้คนมันชอบจะเป็นอย่างนั้นอืมอัตมาว่าไอธรรมะนี่มันก็เป็นของยากอยู่มันเป็นของล้ำบากอยู่แต่ว่าถ้าเราคนคิดพินิจปิจารณาแล้วเป็นของแก้ไขได้สิ่งทั้งหลายที่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วที่มนุษย์ทำไม่ได้นั่นไม่มีจะต้องมีถ้าอย่างนั้นไม่มีไว้ ท่าอย่างนั้นไม่มีไม่บัญญัติไว้เพราะท่านบัญญัติไว้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพื่อเป็นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์คนอื่นด้วยไอ้สิ่งที่ท่านจะบัญญัติไปมีประโยชน์ตนมีประโยชน์คนอื่นนั้นท่านไม่ทําไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้อันนี้เราควจะค้นพวหาอะไรต่างๆในสิ่งทั้งหลายแต่นี่อยู่อย่างนี้อที่นี้หากว่ามันทุกข์ไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเนี่ย ชีวิตประจําวันเรานะ่ะมันทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็รู้จักกำหนดรู้ทั่วมันทุกข์เพราะอะไรเช่นก่อนนะมันทุกข์เพราะอะไรคิดคิดไปเพราะมันมันทุกข์เพราะอลูกคนนั้นไม่ไม่อยู่แต่อํานาจเราไม่ฟังความล้วมันดือ้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเแล้วก็ทํามันเนี่แล้วก็พูดต่อพีว่าไอ้ลูกนี้ใครสร้างมันมา ใครสร้างนะมันเกิดมาเป็นใครมันเกิดมาจากเรามาถึงเราเขาจแล้วที่นี่นะไม่ใช่ว่ามันทุกข์เพราะลูกอันนั้นมันเรื่องดีรับมันเรื่องปลายเวทมันมันทุกข์เพราะเราอ่ะเหตุอยู่ที่เรานี่นะนี่ถ้ามันเกิดความทุกข์เพราะลูกมาก็ต้องคิดพวกมาอย่างนี้นะเราจะไปจําที่จำชัยมันจนเกินไปหรือเอาวิสัยเราก็ทําไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ตามมันไปถึงมัเป็นเพราะลูก ทุกที่จริงมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะวิหีดหนึ่งทุกข์จะเกิดเป็นมาเวลาให้กำนวดตัวทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาเพราะมันจะต้องมีเหตุไม่ใช่มันไม่ใ่มันมันพุดขึ้นมาเฉยๆมันจะต้องมีเหตุอย่างน้อยก็มีความไม่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เราก็ไม่ค้นไม่ค่อยจะค้นพบมันพระพุทธเจ้าตัณฑ้รู้จักว่าโลกว่ามันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันเป็นอยู่ อทําไมท่านมันถึงจะสงบล่ะก็สงบจ้ะถ้าเรารู้ตามความจริงมันสงบสงบยังไงสมมุติใจฟังว่งาโยมเคยเห็นลิงไหมลิงทุกตัวมันสงบไห ม, ม <c oughs> นี่ตัวนี้มันก็ไม่สงบภาษาของลิงของเด็กก็ลิงก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะที่ไหนมันก็เป็นเพราะมันอย่างลิงแต่โยมไปเห็นลิงก็โยมก็ไม่สบายใจโยมคงจะฆ่าจะแกงมันเพราะมันหมวกแวบกบ ไม่สงบแล้วครับโยมเคยเห็นลูดิงที่มันสงบไหมมันนิ่งเหมือนมนุษย์เตาสอนได้นีไหมก็ไม่มีอแต่มาว่ามันไม่มีหนอกจากดิงมันตายทีนี้เราจะเห็นดิงเราจะมาให้โทษดิงจะทำไงเรารู้ว่าลิงทุกตัวมันต้องเป็นอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะไปบังคับไมาให้มันให้มันสงบให้มันเป็นอยู่ให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็รู้ว่าดิงมันต้องเป็นอย่างนี้ ทุกตัวดิงนิสัยดิงมันเป็นอย่างนี้เท่านั้นเห็นดิงตัวนี้อย่างชัดเจนแล้วจะเห็นดิงทุกๆตัวในจักรวาล น, นี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าโยามเห็นดิงตัวนี้ชัดเจนมาไม่เป็นอย่างนั้นโยมก็ปล่อยมันถะึงเรื่องของดิงจะให้ดิงสงบไม่สงบตัวความรู้สึกนี้มันถึงจะสงบได้ไอ้ดิงมันไปดิ้นอยู่ตามเรื่องของมันนะเนี่ยพอช่างบางทีเราปล่อยเนะนี่ยนีความสงบเกิดขึ้นได้พอเรารู้เรื่องของลิง อมันเป็นอย่างนั้นที่เราไม่สงบเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นก็เรื่องดิงมันเป็นอย่างนั้นจะทําไงล่ะทุกตัวก็เป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้จากเรื่องของดิงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเด้ใจเราก็สงบไม่ผูกพันกับดิงเห็นตัวนี้งดีก็เป็นอย่างนี้อือไปที่เกิดเห็นดิงตัวนั้นก็เป็นแต่เงือนตัวนั้นะไปที่นั้นก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นจะไปเอาอะไรกับมันล่ะนะความพยาบาทกับดิงก็มีเพราะทําไมเพราะว่าดิงมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้แหละ อืทางนี้อ่ะอันที่เราอยากจะให้ดิ้งมันสงบแลยครับย่างงั้นมันก็ทุกอย่างงั้นสิมันทุกิพระพุทธเจ้ามาให้แก้อย่างนั้นแก้โดยทางที่ยวเท่าตามธรรมชาติมันนั่นเองแหละ้ะจะแก้ไครยังไงดิงมันเป็นอย่างนั้นคิดไปคิดมาดเดือวิสัยเนะี่ยไม่ไม่มีทางที่จะแก้แล้วต้องปล่อยปัญญาลู่เท่าตามสังขารเห็นสังขารแบบมันเป็นอย่างนั้นก็ให้มันเป็นอย่างนั้น อย่างเนี้ยอืมไอความสงบเกิดไหมเกิดติเพราะเราไม่สงสัยแล้วนี่ไปเห็นดิงถึงมันเป็นอย่างนั้นอะไรนไปเห็นตัวหน้าอะไรนี่ไเป็นอย่างนั้นนั่นก็ปล่อยให้มันเติงร้อยตัวพันตัวทะเลตัวไช่างมันปล่อยให้ดิงหมดแลนะี่วางจิตเราวางแต่ดิงมันไม่หยุดนะ่ะแต่ดิงไม่หยุดมันไม่สมมงบเลยอีกเรื่องของมันแต่เรารู่มันเราจิตใจเราสงบนี่เดียวความสงบแล้วให้มันดิ้นอยู่แต่ดิงอ่ะเห็นไหม นี่ก็ะไรเห็นดิงแตไม่สงสัยแล้วทีไม่สงสัยแล้วเห็นตัวนี้เหมือนตัวนั้นเห็นตัวนั้นเหมือนตัวนั้นแบบมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้ได้ขวามาลิงมันเป็นอย่างนั้นนี่โล ก, กเหมือนกันโลกกวิถีนะพระพุทธเจ้ารู้แจก้งโลกเหมือนอรารู้แจ้งลิงไงมาโรคมันก็ต้องเป็นกันอยู่างนี้เป็นอย่างนี้โดยมากคนจะรู้สึกอันนี้เพราะอ่านอะี กำลังไ อ, อ้ธรรมชาติที่มันแก่ขึ้นมาจบประการมากมากนี่ก็เลยฟังธรรมย่ำกันไปติ้งติ้งมองไปทางหลังเห็นอะไรแหมเสียดายได้เกิดผมเปลี่ยนทุกมาทั้งหลายปีเลยทีเดียวนะมันเป็นทุกมาหลายปีแล้วพราอยากให้ไม่เหมือนกันอย่างนั้นไม่ว่าจะหลายปีหรืยมจะคิดไปจนวันตายก็ทุกจนถึงวันตายแล้วไม่ปล่อยวางไม่เห็นที่จะมันปล่อยวางได้ว่ามีเห็น ค, ความสงบนี่ยก็อยากให้มันเป็นอย่างความคิดของเราอย่างนั้นเท่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ ไอ้ของนั่นมันเป็นอย่างนั้นเราจะให้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไปไม่ได้เลยรู้เท่าตามเป็นจริงข อ, องสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรก็ให้รู้เท่าตามความเป็นจริงมันอย่างนั้นนี่ยังครับนี่ถ้าลิงมันจะเอาไฟไปเผาบ้านอย่างนี้นะะหรอเราเป็นทุกข์เพราะว่าลิงมันไม่อยู่ปภาษามันจะไปเผาบ้านในเดือตนต้อนไม่ใช่อย่างนั้นมันคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกัน เร า, ารู้จักดิงแล้วก็มีปัญญายิ่งกว่าดิงมั้งะใจมันจะไฟไปเผาพหันาถไหนไหมั้ยเออหน่าเหตุการณ์สูกเถินที่มันเกิดขึ้นจะมีทางแก้ไขเช่นว่าชีวิตของเรานี้จะต้องตายเราจะไม่ต้องรักษามันเด็กนี่แต่ว่ารักษาอย่างคุณหมอทุกคุณหมอมานี่แหละรักษาเพื่อแก้ไขมันได้รักษาให้การตายไม่ดีไม่ยอยาการตายไม่น่ะ นี่เรารู้จากมันอย่างนี้แล้วก็รักษาไปอย่างนี้คล <c oughs> ้ายๆกับโรงพยาบาลนั้งนะไอ้โจนมันไปปนเขามาเขายิงมาเข า, า, ข า, าโรงพยาบาลรงพยาบาลก็ต้องรักษาไหมอย่างนั้นนายแพทย์ก็เลี้ยงโจนไปที่มันไปปนเขายิงมันมาต้องมารักษามันไว้นี่อย่างนั้นก็หาว่าไอหมอทั้งหลายรักษาโจนเป็ขโมยบ้านดีไม่ใช่อย่างนั้นหน้าที่ของหมอจะต้องรักษาอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้ารักษามันมันดีแล้วนะมันมีเรื่องเดยกัน ทางบ้านหนังสือสวนไปตามเรื่องเขานี่มันเรื่องของแต่หน้าที่ของเราอย่างนี้หมอจะต้องทําอย่างนี้ใครจะทําดีมาทําชั่วมาจะทําอะไรมาก็ช่างมันเถอะมันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ต้องรักษาตามหน้าที่การงานของเราของหมอนั่นเองแหละนีไน่ไม่ใช่ว่าเรารักษาเพื่อไม่ให้มันขโมยต่อไปไม่ใช่อย่างนั้นรักษาเพื่อให้มันหายหน้าที่ของเรามีอย่างนี้เราทํางานตามหน้าที่ของเราเนี่ยมันก็เป็นแต่อย่างนี้ อถ้าโรคเกิดขึ้นมาต้อรี่ไปห้าหมอก็เหมือนดิงมันจะเอาไฟมาเผาบ้านแล้วคุณบอกมันที่อยุดดิทําอะไรไม่ดีจะต้องรักษาและระวังมันทีมันก็เป็นเป็นอย่างนั้นอืแต่ว่าว่าเราน่ะถ้าพูดตามความจริงไม่ต้องดึงมันเผาหรอกคนที่ตึงมันก็ย่อยยับไปอยู่แล้วก็ต้องรักษามันไว้มนุษย์เกิดมาแล้วก็มีเกิดแล้วก็ต้องมีตายจะรักษามันไปทําไมมันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วก็ต้องรักษาหมอที่รักษาโรคช่วคราว ธนุบำรุงไปชั่วข้าวอย่างนั้นก็ไอ้คนในโลกก็ไปให้โทษหมอที่หมอนั่นก็ไม่ดีรักษาฉันก็มีหายคนนั้นตายไปเรื่อยๆอยงมันก็พูดบ้าๆบอๆไปเงี้ยนะไม่ใช่หมอรักษาไม่ให้ตายยากันตายของหมอไม่มีหมอเรียนมาจนจบปริญญาก็ไม่มียากันตายเลยมีหมอทําการหน้าที่ธนุบำรุงให้อยู่ไปเป็นเป็นวันๆไปเท่านั้นเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้เรียกวา่าดิงก็ไปเผาบ้านนะ อืมก็ต้องคิดอย่างนี้เลยย้อนต่อไปประมาอืมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือว่าไงแล้วต้องรักษาแล้วมีปัญญานะจนกว่าที่ว่าเรารู้จักกลิงนะกลิงจะเอาไฟเผาบ้านแล้วจะเฉยออยู่ได้เลยลักษณะัของเด็กก็รู้จักมันอยู่แล้วกนะ็ต้องรักษาควบคุมมันอย่างเด็กๆให้รู้จักภาษาของเด็กรู้จักภาษาของเด็กก็ต้องรักษาเด็กนะ <N ic> um> นี่มันโจรหวงโจรบ่ไปตามเรื่องมันได้เนี่ยถ้าเรารู้จักเด็กแล้วก็ต้องระวังเด็กสะกดรอยตามเด็กที่มันเป็นอยู่มันจะไปจับไฟมันจะไปตกบก่ก็เฉยไม่ได้คนไม่รู้จักเด็กนี่อันนี้คือมันกันทานอย่างนั้นคนก็ไม่รู้จักหลิงให้ไฟเผาร้านอยงนั้นเราต้องทิ้งอานั้นนั่นทำให้เปนทุกข์เข้ <N ic> um> ออเป็นทุกขต้อ ง, <N ic> um> องระนทุก่าเป็นทุกข์ดิที่มาเรียนถ <N ic> um> ามหลวงพ่อของชัว <N ic> um> ร์ เราเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยเราก็เลยเป็นทุกข์ครับลุงพ่อทำงานตนนามหน้าที่ของเรารมันเป็นทุกข์กว่าแก้พยายามไปยังมีคนหนึ่งทหารตำรวจตวชลนี่ไม่ยิงคนตามชายแดยนตายลุงพ่อยิงพวกนี้ตายมันบาปไหมโอ้นะแต่พูดตามประพเพณีต่ากๆมันบาป ทำไมจะบาปผมทํางานตามหน้าที่ของผมเขาตั้งโรงฆ่าสัตว์ไว้คุณไปสมัครเป็นคนฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์นั้นคุณก็ได้ฆ่าสัตว์เท่านั้นเนี่ยทาไมจึงจะฆ่าสัตว์มันบาปไหมเขาทํางานตามหน้าที่ของเขาเขาไปตั้งหน้าที่จะโรงฆ่าสัตว์สัตว์ในนั้นก็ต้องหน้าที่ของเราจะต้องฆ่านันก็ไม่บาปสิอันนี้ก็เหมือนกันบาปมันเป็นอยู่อย่างนั้น มันถึงในรถในในลบในโป้นกันกระเพาะมันบาดนั่นเองแหละเดี๋ยนี้มันเป็นอย่างงั้นเขาก็มาคิดเขาเข า, าทํางานตามหน้าที่ของเขาไมนบาดเป็นนี้เนี่ยอย่างนี้เราเป็นคนฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์นะเราไปสมัครงานในตรงนั้นเราก็ได้เขาห้เราทํเราเป็นหน้าที่ของเราอืเราไปลงจุดนั้นแล้วก็เขาทําอยูอนะออ่อย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องนะมันก็บาดอือย่างนี้มันก็ผมันก็ผิดตามธรรมดาของมันอย่างนั้น อืเรื่องเพราะมันเป็นอย่างนี้อันนี้กรมบวนกันฉันนั่นนะเรื่องเทว่ามันทุกมันก็ทุกนะนี่มันปวดทุกมีดไมคมมีดไมคมมีดเทวมันคมจะต้องทําให้มันลึกก็ไปอีกกันหฮาอย่างนี้ก็เพราะมันทุกนั่นแหละโยมมันไม่รู้จากทุกมันปวดทุกเป็นธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนแก้ไขมันเรื่อยๆไปตามหน้าที่ของเราอย่างนี้เนี่ยอืม ผลทต่สุดตตแต่บางครั้งก็อยาวางให้วางอให้วางอย่างเราหิว้วหิวตะก้านกหนักๆไปเนี่ยหนักก็หนักวางให้ไม่ยอมวางห่วงขนมอยู่ในนี้ไม่วางแล้วฉันจะได้อะไรก็ได้ดื้อหิ้วไปเรื่อยๆไปหลายิโลก็หิงเป็นหนิดมันเหนื่อยหิ้วเป็นหนักก็ไม่ยอมพิงมนันมันก็หนักเรื่อยไป จนกว่าขี่ไปจนหมดแรงแล้วไม่ไหวแล้วนะที่ิ้งไปนะทิ้งไปบจักรยานกลางขนมทิ้งไปทิ้งเป็นมันสบายรู้สึกอืมได้เป็นกันได้เปนเบาอืมนะถ้าเราแบกมันก็หนักไงนี่อย่างนี้ให้รู้จักพักผ่อนดีเมื่อมันหนักก็พักไว้หยุดวางไว้ก่อนมีเดียวแดงก็ขี่ต่อไปอีกเพราะเราต้องการขนมนั่นอยู่ไหมอืมถ้าไม่ต้องการขนม ก, ก็ทิ้งมันไปได้ทิ้งกันเลยก็ได้นี่ท่านรู้จักการรู้จักเวลาอย่างนี้ ยืนจะเลื่อนพราะมันอย่างนั้นอย่างนั้นแต่แบบแบบอย่างดีดอชั่วอย่างเนี้มันมีคุณค่าเท่าๆกันทั้งมองถึงที่สุดมานนะ <c oughs> ดีดีมันเลยจบเรื่องนะยังไม่จบเรื่องมันดีเรื่องดีดีไม่จบเรื่องมั น, น่ะดีไม่จบเรื่องดีเพราะมันดีมันอุปทานอยู่ยในดีนั่นเองนะ ดีถ้ามันดีเกินพอดีเรียมันทุกข์นะดีให้เกินพอดีให้รู้จัดดีไอ้ทความทุกข์เกิดขึ้นจากการดีเนี่ยฆ่ากันเนียเรื่อยๆนี่ดีขึ้นดีขึ้นดีดีขึ้นน่ยมันไปติดดีนั่นดีนนท่านก็ให้วางนะพระพุทธเจ้านะอจะแบกอะไรก็จังมันดีมันดีเกินขีดดีแล้วมันชั่วมันหนักเกี้ขีดหนักจะต้องวางอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่า อันนี้มันดีอันนี้มันชั่วสิ่งที่ว่ามันชั่วมนวรละอันที่มันดีนั่นเก็บไว้ปฏิบัติไปโดยการปล่อยวางไม่ใช่โดยการความยึดมั่นถึงมันเนี่ยเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติความดีไปไอ้ความดีมันก็ล่นเหลือขึ้นมาเลยดีเรื่อยๆไปมันดีจนเกินดีใช่ไมันร้ายนะที่นี่นะไปติดในดีในอียู่แล้ววุ่น ถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็ว่ามันยุ่งเนาะถ้านี้จากบ้านมาก็คิดถึงจะทํางล่ะจะอยู่ตรงไหนกันดีปัญหามันเป็นอย่างนี้อยู่บ้านเน่ยยุ่งบางทีก็บนอยากจะหนีด้วยนะแต่วันนี้จากบ้านเนี่ยก็คิดถึงบ้าน จะทาอะไรนั่นก็เป็นเรื่องแปลกนะมนุษย์เราเนี่เนาะอมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันแต่ว่าออกจากบ้านมปนมันมายุ่งก่สบายเดี๋ยว่าคิดอย่ากลับคือไม่ใช่อะไรหรอกมันยังไปไม่ถึงที่มัน ใน<พ uka>ความรู้สึกนิคิดของเรายังไปไม่ถึงที่อยู่อย่างดีท่านเรียกว่าวตะอืมไปแล้วก็ดิ้งกลับมาไม่ถึงที่สุดมันยังง่ายๆ่ายยังย่อยๆก็เรียกว่าเรามาอบรมที่นี่มาธุระอย่างนี้แต่มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านเราทางความไม่สบายอย่างนี้น บ้านอื่นแม้จะสนุกสุขสะบานทะเลกับช่างแต่มันยังยองคิดไปถึงบ้านเราอยู่นั่นแหละเป็นอย่างนี้คือเรื่องมันยังไม่จบเรื่องความดีความชั่วมันไม่จบมันยังเป็นโลกมันก็ยังมีจบถ้ายังไม่จบมันก็ไม่วางถ้าไม่วางเราก็ได้แบกมันไว้ถ้าเราแบกมันไว้นะ่ะ เราหนักมันก็มองเห็นโทษมันได้ไง่ายๆเพราะเราแบกมันอยู่นะบางค น, นเห็นว่าคนอื่นแบกเราหนักเคยมีไหมคนอื่นเขาแบกเราหนักนตรงนี้นมันน่าคิดนะเราแบกเองเราหนักเองเรานี่มันก็คิดได้นะนะพอคิดได้อันนั้นคนอื่นเขาแบกนีเราหนักนะคนนั้นทําผิดเรากม ไม่สบายเหมืนนะนาะคนอื่นนั่งเขาแบกเราหนักเคยมีไหมเดี๋ยวดูดีๆนะเราแบกเองเราหนักเองใครช่วมันเห็นง่ายอืไอ้คนอื่นแบกเราหนักเนี่ยมันไม่ค่อยจะเห็นตัวเรานะน่าจะให้คนแบกนั่นหนักเนาะหรือว่าไง <laughs> ถ้าพูดตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นอืม โดยมากมันเท่ากันแท้แล้วหรือจะมากกว่าก็ได้นะเราแบกแล้วก็เราหนักไ่คนอื่นแบกเราก็หนักมันหนักทั้งสองอย่างเขาแบกแล้วก็หนักเราแบกแล้วก็หนักจะทำยังไงดีนะนี่มันเป็นออย่างนี้เราควรย้อนย้อนคิดตัว่าชีวิตมนุษย์นี่มันมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงอนะ มันผสมประสิกันอยู่แล้วไม่รู้จกเลือกจะถอดออกนั่นก็เป็นอย่างนี้นะถ้าตรงไปในเราแบกเราหนักก็ดีกว่านะมันสำคัญในคนอื่นแบกต้องไม่ควรจะหนักทำไมมันหนักเคยหนักไหมอย่างนั้นจะต้องอดทนเยออดทนเรื่องที่มันอดทนทั้งนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันอดทน ในทางธรรมะท่านบอกขันติความอดทนอดทนมันเป็นแม่บทของธรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกคนจะต้องอยู่ในความอดทนดังนั้นอดทนมัน อ, นอดทนอดทนได้ความดีแต่่อได้ความดีแ้วก็หลงดีอีกก็มีนะมันก็แปลกอยู่นะหน้ามันจะจบเรื่องมันนะนะได้ดีไมมได้ก็หลงดีอีกทีหนึ่งดีก็พาเราทุกข์อีก ดีกับชั่วรักกับเปียดนี่มันไม่พ้นมันถึงอยู่ในกลุ่มนีม้นี่ไอ้หน้าคิดธรรมะไอ้คิดคิดในในใจของเจ้าของและแก้ตัวเรานะี่ยทีนี้เธอมันทุกข์ก็ไปให้คนอื่นแก้คนอื่นแก้ทุกข์ไม่ได้อธิบายทางให้แก้ทุกข์เท่านั้นอืมทางที่จะแก้ทุกข์เท่านั้น เรื่องจะแก้จริงๆเรื่องคนทุกข์จริงเป็นเรื่องตัวตนเองพระบรมครูคนเนี่ยอคา ต, ตาโรตหาคตาตห า, าคตเป็นแต่ผู้บอกบอกให้ยกอันนั้นมานี่ยกอันนี้ไปโน้นบอกเท่านี้ว่ายน้ําจะต้องทําอย่างนั้นไม่ใช่ตหาคสไปไหว้ให้ตหาคสไปไหว้ทั้งหลายก็ตายเั่านั้นเนาะมันก็จมน้ำเท่านั้นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้ออื อปีนี้สองปีมาในรู้สึกว่าเอเจ้านายข้าราชการบ้านเมืองมารวมกันเป็นกลุ่มเิ็นก้อนเนี่ยประชุมกันเพื่อหาความรู้ความเหน็นนะความที่ถูกต้องประชมกันหาทางที่มันถูกต้องทําไมถึงประชุมกันมันยังไม่ถูกต้องเนี่ยมาถึงไม่ถูกต้องมันก็ไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยสบายที่มาประชุมกันนี่ก็ามาประชุมในความเห็นที่มันถูกต้อง อย่างนี้ก็จะพ้นความสบายจะพ้นความทุกข์ยังม่พนก็ยังไม่รู้จักนะมันเป็นอย่างนี้เรื่องโลกมันเป็นอย่างนี้โยมเห็นอยู่มันเห็นอยู่เห็นอยู่อย่างนี้นทุกข์ทั้งหลายนั้นมัน ม, มันก็เรานั่นมันสร้างขึ้นมาแต่อดทนเห็นอยู่ว่าไอ้ตรงนี้มันหนักแต่เราอยากไล้มันยกยกมันก็หนักจริงๆเมื่อหนักก็ต้องอดทน อย่างนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้อย่างเราที่ศึกษามานะเมื่อเราเป็นนักเรียนเห็นผู้ใหญ่ดูไม่จะสบายนะเห็นคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เห็นเจ้าเห็นนายเห็นครูบาอาจารย์มันจะสบายเราคนที่สนใจเราแล้วก็อยากเป็นอย่างนั้นบ้างเนอะอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเลยพยายามจนเป็นขนาดนี้แล้ว ก็ยังมีทุกข์อยู่นะมันยังมันก็ยังมีความทาบากอยู่มันก็ไม่พ้นนะมันก็ไม่พ้นอยู่ขั้นนี้ก็ไม่พ้นอีกถ้าวไปขั้นหน้าอีกนะก็รู้ว่ามันจะพ้นนี้ไปอีกยิ่งหนักก็ไปด้ที่ใครไปอย่างนีน้มันก็คนแก่แล้วเนะ่ะเด็กมันคิดไม่มากนะโตขึ้นมามันคิดกว้างคิดมากมันมีความฉลาดมากไปช่วยขาหมดทั้งนั้นแหละ คนทางพ้านเราฉลาดคนเดียวมันก็ทุกคนเดียวนะเอาให้หมดอย่างนี้ความคิดของคนก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่คิดอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องคิดอย่างนั้นคือหมายความว่ามีมากกว่าตรงแบกมากยึดมากไอ้ความเป็นจริงนั้นการกระทำอะไรทุกอย่างถ้าให้รู้จักหน้าที่กันทุกคนเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรนะดูรนะนาที่คนสบาย มันก็สบายความสบายมันมีอยู่แต่มันคนส่วนมากก็ต้องเป็นอย่างนี้โยูสถานที่นี่ท่นก็ดีกว่าโลกโลกโลกท่านแปลว่าความมืดโลกเจริญก็คือมืดเจริญนั่นเองแหละนะนี่โลกท่านแปลว่าความมืดแม้โลกมันเจริญเจริญมันก็มืดเจริญขคืออย่างวัดอัตมาแต่ก่อน ไฟฟ้าก็ไม่มีก็เห็นว่ามันสว่างไม่สว่างมันมืดนะถ้ามีไฟฟ้ามาแล้วนี่จะสบายมีน้ําก็จะสบายมีไฟฟ้าก็จะสบายโอ้ไฟฟ้าไม่ไม่เกิดมาเองมันนะก่อนจะมีไฟฟ้ามันต้องเสียอะไรตไรปมากมา ก, ก่อนจะมีน้ํามันจะเสียอะไรไปมากมากจะต้องลงทุนทั้งหมดนะนีม่มันเกิดจากความลําบากที่มันสว่างแล้วนะมันไปยังไปปิดใจให้มันมืดอีก พี่มันสะดวกแล้วมันก็ไปติดใจเลยมันมืดอีกคนเราชอบมักง่ายถ้ามันสะดวกสบายเลยยิ่งมักง่ายมักง่ายมักง่ายสมัยก่อนบ้านเรานะ่ะไม่เจริญเนาะบ้านเมืองก็ไม่เจริญ น, นะทำส่วงอยู่โนในนะป่าอุซาไปเรื่องนี้ไม่ได้ไปไม่ได้พี่นอนที่นั่นต้องทำส่วงที่นั่น <laughs> ไม่รู้ว่ามันจะทํำยังไงขนาดนั้นก็ยังไม่สบายอยู่อีกนะขนาดนั้นก็ยังไม่สบายห้องนอนอยู่ที่นี่ส้วมอยู่ที่นั่นอยาให้มันสบายสะดวกมันก็ไม่สะดวกมันสบายเกินไปหลายก็เลยประมาทกันจะอยากให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกอย่างนี้ให้มันไม่พอสักทีหนึ่งแล้วก็บนว่ามันทุกมันทุกทุกใครสร้างมันขึ้นมามองไม่เห็น ว่ามันเป็นเพราะอันนั้นว่าม่นเป็นเพราะอันนั้นว่ามันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้มันเคยชี้เข้ามาเลยเต้นตอมันอยู่ตรงนี้แหละมันเคยชี้เข้ามาในนี้มันก็ไม่กระจ่างใช่นะมว่าคนโน้นคนโน้องัวนั้นนี่ชี้ออกไปข้างนอก <Var Maybe. S 2> มล้วก็ไปเห็นของข้างนอกกันแหละอืมไปแต่งของข้างนอกไปเรื่อยๆไปแต่อันนี้ไม่่อยแต่งกันนะจิตใจไม่่อยแต่ง <Yu> บ้านศกปรกรเราก็เห็นได้ ทำสะอาดบ้านแล้วก็ทำได้ถ้วยจานมันเลอละเห็นไม่สวยงามแล้วก็เห็นได้เราล้างแล้ก็สะอาดได้แต่ว่ามันะสะอาดแต่บ้านสะอาดแต่ถ้วยจานใจไม่สะอาดนี่ล้างจานปัดบ้านกวาดบ้านในสะอาดใจเราสกปรกหน้าบูดหน้าวิยวอยู่ไม่เห็นตัวเรานะบนอยู่อย่างนั้นแนตะ่ทุกข์เนย อันนี้คนหาสุมสารตัวเองกันนะเมืาคิดแล้วนะนี่มันจินใจอย่างนี้ถ้าเราพยายามกวาดเหมือนบ้านเราพยายามเช็ดเหมือนบ้านเราพยายามทําความสะอาดเหือนถ้วยจานบ้านเราเราก็คงจะอยู่กันสบายนะอืออันนี้เราไปพยายามเช็ดสิของไม่รู้เรื่องไอ้ถ้วยมันจกระโปรงมันเฉยถ้วยมันสะอาดมันเฉยมันเฉยทั้งนั้ของจะไม่รู้เรื่องเราไปทําสะอาดมันซะ ถ้าไม่ถูกจุดมันมันจะใสขนาดไหนใจเราไม่รู้ไม่เห็นมันก็สุกกระปุกอยู่ตรงนั้นเนี<ม>่ยพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญว่าจิตของเรานั้นเนี่ยไม่ค่อยพยายามดูมันตามใจมันซะถ้าพูดตามภาษาโลกตามอารมณ์อารมณ์ของคนที่ปาเถที่มันจะเป็นไปนะในครอบครัวของเราวันนี้มันรักกัน พรงนี้มันเกลียดเหลืเกินลูกเราวันนี้เรารักมันพรุ่งนี้เราเกลียดมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นือทําไมมันไ ม, ม่คงที่อย่างนั้นทําไมมันเป็นอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าใจเราไม่ฝึกหัดหาความสงบไม่ได้ี่ไอความรักมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาไอความเกลียดมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาในน้อยเกยินไปมันก็ทุกข์ในมากเ ก, กินไปมันก็ทุกข์แล้วจะอยู่ที่ไหนกันเดี๋ยว หาที่อยู่เราหรือยังอพี่อยู่นะหาที่อยู่ครับหาที่อยู่กันเถอะนะนะทําไมไมองหาที่อยู่ของเราเนะ่ะเราพยายามสร้างอะไรต่ออะไรมานี่หลายหลายหลายปีหลายเดือนมาแล้วเพื่อหาความสงบเพื่อหาความสบายไอ้ทาไมถึงขนาดนี้มันยังไม่สบายกันมันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่เราทําไม่เคยถูกกันมนชะ่ไหมดูไปที่ไม่เคยสบายมนะันนะพ่อบ้านแม่บ้านอยู่ร่วมกัน มันไม่น่าจะทะเลาะ ก, กันนะทาไมมันทะเลาะ ก, กันวางวันอยากจะลุกหนีกลาคืนไปเลยนะแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาอีกแล้วแม่ <c oughs> <c oughs> มันลําบากนายโยมนะอแต่มาเห็นว่าไอ้ที่อยู่ของเราจริงๆะเราไม่ค่อยจะหากันนะอืไปเช็ดที่อื่นไปถูที่อื่นไปทำความสะอาดที่อื่นไม่ทําใจเราให้มันสะอาด นะมันก็ยุ่งอยู่เรื่อยไปอย่างนี้เลีอืมมันที่ไปแต่ขันนอกพระพุทธองค์ตรัสสอนโอปานายโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาให้มาถินกิบจิตของเรานี้เนี้ในน้อมเข้ามาให้มาถินในใจของเจ้าของแต่ทุกวันนี้มีแต่วังครับแม่แต่มะม่วงเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยมีมะม่วงหวานอะไนี้มะม่วงบวกร่องนี่ยมันหวานนะ เพื่อนเดินมันหวานเดี๋ยวนี้เขาบังคับมันไม่แก่แล้วเขามาบ่มชะแล้วนะนะเอามาบ่มซะแล้วเขาต้องการเร็วมาทานมันก็เปรี้ยวเมืองเมืองเมืองเมืองอุบลนี่ไม่ค่อยหวานเนี่ยนี้เขาบังคับมันเพื่อไม่ทันกลัวอยากของคนเราไปบีบมันเข้าไอ้ของดีๆก็ให้มันหวานหวานเนีมันเปรี้ยวไปของอะไรก็ให้มันเปรี้ยวไปให้มันผิดปกติของมันไปเช่ไ อย่างนี้ก็วนว่ามันเปรีย้ยวทํำไมมันถึงเปรีย้ยวมะม่วงไม่แก่เอามาบุ่มมันก็เปรีย้ยวทํำไมไม่ทํำหายล่ะเมื่อก็เป็นอย่างนี้เลยด้วนด้วนแต่มีโดยมากวิจัยของปลอมของปลอมจะโดยมากมันเป็นของปลอมจ้ะไปยึดมัน่นถือมั่นของที่มันปลอมแปลงไม่แน่นอนแต่ยึดมันเป็นของจริง พระพุทธเจ้าให้เห็นัตถธรรมคือความจริงของที่มันไม่ปลอมคือของแท้อย่างนี้แล้วนี้มันแทบจะหลงแล้วนะของจริงของไม่จริงไม่รู้เรื่องอะไรนี้ก็เลยเป็นกันไปอย่างนั้นมันก็เกิดความรู้สึกนึกคิดได้หลายอย่างทิ่งที่มาดัดแปลงมาปลอมแปลงให้มันเหมือนของจริงอย่างนี้มันก็เป็นไปอันนี้ก็คนลนกันฉันนั้นพระพุทธเจ้าตอนนี้เป็นโอปนานิโกน้อมพมาให้จิตของเรามันเห็น ถ้าจิตเรามาเห็นถ้าจิตเราไม่เป็นมันก็เป็นแคอย่างนี้เยไม่มีทางที่สว่างเรามีลูกมีหลานก็รักลูกรักหลานรักลูกรักหลานก็ให้บิชาความรู้มันให้ความแนะนำมันอย่างนี้ตามความจริงก็เป็นอย่างนั้นตอนเชา้าเราก็สอนมัน ตอนเย็นก็สอนมันสอนดีที่สอนไม่หยุดเพราะรักลูกไงกตัวมันจะไม่ดีสอนทุกวันสอนทุกเช้าสอนทุกเย็นสอนนานๆลูกเข้าใจแ่บพ่อแม่จู้จี้จุกจิกแต่พ่อแม่เข้าใจแบสอนลูกให้มันดีเอาละไปคนคนในแง่ดียิ่งสอนไปเถอะมันยิ่งไม่ฟังก็ยิ่งสอนมันอยากจะให้มันดี โรคก็ยิ่งวุ่นวายยิ่งขัดใจบางทีหนีจากบ้านไปเลยไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้มันบอกแม่พ่อแม่จู้จี้จุกจิกเยอเกินอยู่ไม่ได้แต่ว่าถามพ่อแม่ฉันอยากจะให้มันดีอยากจะให้มันเป็นบุตรที่ดีในการงานที่ดีในวิชาที่ดีพ่อแม่คิดไปอย่างไปถามถูกแห่พ่อแม่จู้จี้เือเกินผมอยู่ไม่ได้แลอวไปค น, นเดียวนะ ยิ่งรักก็ยิ่งสอนในมากสอนในมากก็ยิ่งจู้จี้จุกจิกมากมันเห็นไปคนในทางอย่างนี้อย่างนั้ น, นเราจึงหนักใจกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่เป็นกลุ่มเดียวกันอยู่ทั้งนั้นเนี่ยมันเกิดลบกันทางใจเกิดรบกันทางใ จ, บา ง, ใจบางคนมีแพ้มีพ่อมีแม่ลูกคนเดียวกันรักคนในอย่างพ่อ ลักมันเพื่อจะให้มันเขียมให้มันอดทนแม่เนลักมันเพื่อจะปล้อนอาหารในมันสมบูรณ์อย่างนี้มันพออะไรก็ให้นะไปเฮ่อพอหยุดหยุดจะทําให้เด็กชั่วยาอืมรอบมาไปให้กันบ้านนะทำไมเป็นอย่างนั้นแหละนานๆไปกับลูกไปเป็นพ่อแม่ก็ทะเลาะ ก, กันอีกแล้วมันจะชอบจะเป็นอย่างนั้นจ้อ อันนี้ก็เหมือนกันเน่ะเราทําการงานให้รู้จักหน้าที่การงานของเราทุกๆคนแต่ว่าคนมากให้เหมือนกันทุกคนมันก็ไม่เหมือนอืมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันถ้าท่านบอกว่าเป็นครูเป็นอาจารย์คนอย่างอัตมาอย่างโยมชอบอยากจะเป็นเปรียดเปรียดอะไเปรียดอย่างละเอียดเปรียดยังไง อาจจะมาจะเล่านทิทานให้ฟังก็น่าฟังเหมือนกันนะไม่อยากจะเล่าหมันยาวแต่ว่างคนจะเล่าก็เล่าให้ฟังอยากจะพูดอะไสั้นๆให้มันคุ้มแต่มันหาไม่ได้นะท่านเนียกว่ามีคนคนหนึ่งเป็นคนติดใจบุญสุนทานแต่เป็นคารวะอยู่อะไรจะเป็นบุญอะไรจะเป็นกุศลแกพยายามไปทําแกก็ทําให้มันดีแกก็ทําให้มันละเอียด ทุกอย่างนั่นแหละวางของที่นี่วางไว้ตรงนี้ตรงนั้นวางไว้ตรงนั้นถ้าลูกหลานจับมาเคลื่อนในบุญซะแล้ไม่สบายใจนะไม่กดจงตรงวางตรงนี้กาน้ําตรงวางตรงนั้น <c oughs> วางตรงนี้เมื่อใครมาทําผิดบังเลยทุกซะแล้วแต่แกเป็นคนละเอียดดีใจบุญดีเป็นระเบียบวันหนึงผมคิดเห็นสลาในป่าที่คนไปพักอีู่ในโรงไม้ นี่ถ้าจะมาสร้างสลาเนี่ก็ดีเหมนกนนะเพื่อจะได้บุญพอค้าพอขายไปมาจะได้พักผ่อนอย่อนใจจะได้มีความสบายคิดแต่เกะก็ไปทําอืมไปทําอย่างนี้อยู่ในป่าก็ายังคนพักอเมืเเ่อทําเสร็จได้วเกะกี่ต่อไปแคกับตายตายแต่แล้ววิญญาณเนะ่ยไปเกาะอยู่ตรงนั้นเนะี่ยคือมันเกาะตัแต่เมื่อมีชีวิตอยู่นี่แหละ เ อ, อเมื่อสร้างสลาอะ้รแกก็ไปพยายามไปดูมันสุกกระบก ต, ตรไงไหมคนมาพักที่มันเป็นยังไงอะไรเรียบร้อยถ้าคนทําไม่ดีแต่แกก็ใจไม่คดีถ้าคนใจดีแกก็สบายใจพราะแกเป็นคนใจบุญทุนทานละเอียดระเบียบอีกวันหนึ่งพ่อค่าเปลี่ยนมาหลายร้อยเลยมาพักอืพี่มาพักแล้วกับพ่อขเปลี่ยนกินข้าวกันกน็นอนกันกินแท้เจ้ า, จาของสลามเป็นเปรต ก็มามองดูไม่เป็นระเบียบหรือเปล่านี่บอกเนี้ยมันมาพักเนี้ยยังมาดูนะมาดูทางศีรษะมันก็ไม่เสมอกันแต่แล้ว <c oughs> บางคนสูงสูงบางคนต่ำต่ำโอ้มันยุ่งหัวใจเลยเตืนจะทําไงทําไงาดีนะต้องไปพลอยไปดึงทางท้ามันลงไปมันเสมอศีสษะมันเสมอกันนะดึงไปสุดแถวนล้วก็เอาแสสนีกดูอ๋อพอใจแล้วที่นี่เรียบร้อย ต่อก็มาดูทางท้ามันอีกมาดูทังท้าอ้าวไม่เสมอกันอีกแล้วจะทำไงนี่นะก็ไปดึงศีรษะเขาขึ้นไปอีกให้มันเสมอกันนะทางนี้ก็ดึงเสมอกันแล้วอ่าดีแล้วเท่าดีแล้ววนไปก็รอบๆไปดู ท, งทางศีรษะอ้าวไม่เสมอกันอีกซะแล้วทางนี้เปียดได้ยุ่งมันจะกระทั่งคืนเลยจนะนทอดอะไรนี่มันเป็นเพราะอะไรเนาะบางคนนะ เท่านี้นะมันหลงไม่หลงหลายหรอกหลงแต่เนี้ยมันหลงเปรดมันหลงอ่ะก็มานั่งคิดไปมาเรียรู้ถึกอ๋อไอ้คนนี้มันสั้นยาวไม่เสมอกันนะไอ้ความสั้นความยาวของคนไม่เสมอการก็มารู้สึกเออวางทนะั้งมันอย่างนี้คนนะใจมันมันแค่แล้วไม่แค่แล้วกว็เพราะมันสูงมันต่ําไม่เสมอกันอย่างนั้นนี่เกก็ได้มาวางก็สบายใจเพราะเห็นอะไร พอเห็นคนว่ามันไม่เสมอกันอืมแต่ก่อนเห็นคนให้มันเสมอกันคนไม่เสมอกันทําไม่เสมอกันมันเสมอไม่ได้แกบอกเป็นทุกแกก็มานั่งคิดเห็นความจริงเอาะคนมันเป็นอย่างนั้นคนมันสั้นมันยาวไม่เสมอกันมันจึงเป็นอย่างนี้พอเห็นได้ชนนี้ก็สบายเลยนะสบายใจนี่พวกเรากมคนกันไปเห็นเหตุตอนนี้ก็ไปรู้เหตุมันเป็นอย่างนั้น การแก้ทำให้มันเสมอกันอย่างนั้นปัญหาที่จะต้องคิดแล้วเพราะมันแก้ไม่ได้จะไปตัดแข้งตัดขาก็ก็ไม่ได้ก็จะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นนี่ก็ได้ไอความยึดมั่นอุปทานนไปยึดให้มันถือมั่นให้มันเหมือนเหมือนปานไอพวกเรานี่กระเมอนกันฉันต่างคนต่างมีทุระหน้าทีสังคงจะไม่สม่ำเสมอกันอย้างนั้นนะบางคนก็ช้าไปบ้างบางคนก็เร็วไปบ้างนะ บางคนก็สารพัดอย่างนะโยมนะมันได้เกิดจุ้งเหมือนเปรตเราก็ชอบจะเป็นเปดตอย่างนั้นบางทีอาจจะมาเป็นเปรตเหมือนกันแต่มารู้สึกง่ายแร้วอาะมันเป็นเปรต เ, เดียวเราเนี่ยเลิกอย่างนี้ทําไมเพราะอาศายัยดุจสิบถูกหาอยากจะให้เขาดีอยาคนทําเป็นในเบียบเรียบร้อยบางทีก็เป็นทุกข์ ทุกเรื่องนี่เราเป็นเปรียดแล้ว้เราเป็นเปลี่ยนแล้วสอนจาของไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ยังนั้นมันก็จะเกิดเป็นเปลียดอยู่บ่อยเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่เคยยอมยง่ายๆนะ <c oughs> จะต้องทําไปจนชํานาญชํานาญเลยมันดูเหตุดูผลมันจริงๆไงมันชำงาน <c oughs> อย่างนั้นเราจึงปล่อยไอ้คนนี้ทาอย่างนั้นพนนีทําอย่างนี้มันก็ปล่อยวางมันก็เบาลงไปเรื่อยๆทําไมมันไม่เป็นเพราะเขามันเป็นพราะเราเห็งไหม ใจเรามันไม่สะอาดเรานึกว่าคนมันเป็นเพราะคนนั้นคนนี้ไม่ใช่มันเป็นเพราะเราคนไม่เสมอการเราอยากให้มันเสมอกันเราคิดผิดอย่างนี้จะไปแก้ตรงไหนแต่ก็มาแก้เราเห็นเช่นนั้นเนี่ยแล้วก็สบายไอ้พวกเรานี่กลุ่มเดียวกันก็เหมือนกันอย่างนั้นบางทีรวยมากกว่าพวกนักเรียนโรงเรียนใหญ่หญๆมาเอานักเรียนมาให้หงพ่อสอนแม่นักเรียนมันสอนยากเหลือเกินจะทำจะทํำยังไงมันดื้อ มันก็จริงอย่างนั้นอาตมาก็มาสอนนักเรียนสอนไปด่ามันไปเลยรั บ, บสอนเด็กนักเรียนจบแล้วก็มาหาันไปหาครูลระครูเารนะาเป็นยังไงกันแล้วมีกี่คนมีห้าสิบคนสามสิบคนทำไมสามัคคีกันดีหรือไม่หรือเป็นยังไงสบายไหมไมนกลัวจะพูดนี่ <c oughs> <c oughs> นี่มันเป็นอย่างนี้ เรไปให้เด็กนักเรียนนีให้โทษมันเด็กๆก็เหมือนกันเราไอ้นั่งรถเมื่อตัวทรายไปมันล้มลงก่อนนึกว่าเมื่อต์วทราพาเราล้มความเป็นจริงก็เราพาเมื่อตัวทราลงถนนแหล่นนไม่ใช่เรื่องนีกมันพูดไม่ได้อย่างนี้อาตมาเดชะลูกว่าท่านทั้งหลายนั่นนะคิดๆเนี่ยมันดีซะนะอันนั้นมันเป็นเด็กนี่เราเป็นผู้ใหญ่โดยฐา น, นะแล้วเด็กมันผิด ก็วควรให้อภัยมันนะมันไม่รู้เรื่องครู้ใหญ่ๆนี่ไปทําผิดนี่ไม่ควรให้อภัยจะแล้วว่ามันผิดไปยังไปทำอะไรผิดอยู่เนี่ ย, วยควนรู้เรื่องเนี่ยก็ไม่รู้เพราะพระพุทธเจ้าสอนว่อท่านสอนคนไม่รู้ท่านสอนให้รู้ได้คนรู้เรื่ไม่ทาตามนี่ท่านสอนไม่ไ ด, ไไได้หลักมันเป็นอย่างนี้ นะในกลุ่มเราคงจะมีมากเหลือเกินตรงนี้เนะนี่ยคนไม่รู้ให้พระพุทเจ้าสอนให้รู้คนรู้แล้วเนี่ยไม่ทําตามนี่ท่านสอนไม่ได้นี่ท่านจัดเป็นคนประมาททาไมมันต้งเป็นอย่างนั้นถ้าไม่พวกเราจรึงเดือดร้อนมันเดือดร้อนเพราะอันนี้เองเพราะเราไม่หันดูตัวเราสักทีนึงไปดูแต่อย่างอื่นโน่นไปทําที่อื่นให้มันสะมันสวย ให้มันเบือเินหวานตัวเราไม่กูดไม่เกาไม่สว่างสักทีหนึ่งนะมันก็ยุ่งเรื่อยไปเลยโยมอืมันยุ่งมันนุ่งมองไปไหนก็มืดเพราะอะไรเพราะตามันเสียอืมจอมืดจะเกินอะไรมันก็มืดไม่รับรู้ชักอย่างสีแดงสีเขียวไม่รับรู้เลยไม่เห็นตัดปอนเทนเซอร์ไไม่มีแสงเลยอย่างนี้มันก็ใช่ของคนตาบอดนะไอความเป็นจริงนี่ยไปยุ่งเปล่เปล่าหรอกมันเป็นเพราะตาเราไม่สว่างสีมันก็ไม่มี ถ้าตาเราสว่างสีมันก็เกิดขึ้นมาแต่รู้เรื่องอย่างนี้น่ะอันนี้เรามองมากินอย่างนั้นอย่างนั้นเลยจึงไปทําแต่อย่างอื่นใช้โดยมากมันก็ทุกให้อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นที่มาประชุมวันนี้น่ะไม่เอามากตรงนั้นเอามากมันก็เอาไปอย่างนั้นแหละอัตมาก็าเทศความจริงให้ฟังอย่างนี้หาความจริงจริงให้ฟังแต่บางทีก็เหนื่อยนะเหนื่อยเพราะอะไรบางทีค่าราชการบางออกลุ่มมาฟัง ก็ฟังกันอย่างนี้เหมือนเราฟังเลยนี่ฟังเสร็จแล้วก็กลาบลากลับบ้านก็เดินกันคุยไปแม่ังนั้นท่านเทศให้ฟังถูกทุกอย่างนะแต่เราทำไม่ได้อันนี้อาตมาเกือบจะหมดกำลังใจไปเหมือนกันมันหมดคล้ายๆ่าทำอะไรมากๆก็โยนลงหน้าหมดจ้ะ ทำลายโยนหน้าหมดจะพิ้งทำลายหมดใช่มันก็หมดกำลังใจที่จะสอนเหมือนกันนะแต่ว่าอาศัยความอดทนอาศัยว่าคนในเสมือกันถ้าอาจจะนะจะทําความทุกข์กันในใจกกลัวจะมันเป็นเปก็เลยไปให้มันเป็นต้องอดทนไว้พิจารณาไว้อย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราทั้งหลายนี่ควรทําให้มันแบบรื่นสิงที่มันรับรื่นมีอยู่ จะพูดถึงการใช้สอยทุกประการทุกประการนั่นนะ่ะโดยมากคนเนดินเงินเงินไม่พอใช้เงินไม่พอใช้มา ก, กเกิ น, น, น, นจะทํำยังไงให้มันพอใช้นะ <c oughs> อ, อจะพูดแก้บ้านห้ฟังทั้งหน่อยนึงเนาะบนเยอะเกินเกินไม่พอใช้ <c oughs> เงินไม่พอใช้จะได้แสดงมันจะพอใช้เงิน จะตํางเงินจะปอดาัาพยพระพุทธเจ้าสอนว่าการหาเงินกับการใช้จ่ายเงินให้มันการหาเงินไม่เคยลำบากเท่าไหร่การใช้จ่ายเงินนี่สําคัญมากที่สุดนี่หลักของมันท่านสอนนะพระพุทธเจ้าสอนนะหาเงินโดยวิธีนั้นมาเป็นสมาชีวะมีความภาคเพียรพยายามหามาแล้วจงเก็บกรำรให้เป็นประโยชน์อะไรควรใช่อะไรใหญ่มันฟุ่มเฟือยไปเสีย ไม่ได้เป็นประโยชน์อย่างนี้ทันซ้อนเยอเกินแต่เราไม่ค่อยฟังนะถ้าเข้ากลุ่มหมดเท่าไรเท่ากันเถอะ <S <S 1> <S 1> ไปขัดใจงั้นนะ อ, อาหารการอยู่กินไอ้สิ่งที่พอดีพอดีนะอาตมาไปเห็นที่เบตครับไปมึงนอกอาตมายังจับใจได้ยมเขาทำดีกว่าอาตมาอีกเขากินข้าวนะอันนี้เขามีถ้วยหนึ่งภาชนะอันหนึ่งเท่าทั้งภาชนะที่สองใส่อาหาร ภาชนะที่สามใส่หวานนะออาหารก็กระจับมาเนี่ยคุกประกันนี้แล้วก็ฉันหวานเอามาคุกปรกันนี่ก็ฉันฉันหมดแล้วพอดีแล้วเอาน้ําเทใส่นั้นใส่ใส่ภาชนะนี่ยมาเทรวมนี่อีกเทใส่ถ้วยหวานน่ยมาเทรวมล่างให้ดีๆนะยกใส่ไปเลยหมด <laughs> แม่อาตมายิ น, นีเรือเกินไม่จน ไม่จนเรียบร้อยไม่มีอะไรนะแล้วก็ที่ชั้นเขานะ่ะกระโโหนในนี้ไม่มีไม่มีวุ่นนำลายไม่มีอะไรเข้าไปในป่าหลอกินที้หมดเรียบร้อยไม่ต้องอะไรมากมายอืน้ำล้นานงมือกละดาษมันเป๊ะๆเรียบร้อยมามองอัตมาไม่อัตม า, ม, ม, ามันโง่หลายตะกืนนะ้ำบางทีใส่ครึ่งบาทเดือดให้สุนัขสุนีกินตะพื้ตะพือไปเนะ่ยมาเห็นความบุกรุกของเรานี่พระพุทธเจ้าให้เขียนอย่างนั้นีพยายาม ถ้าเจริญเราทานจริงๆมันไม่มากหรอกโยมนัม่นไม่มากหรอกจานจานหนึ่งสองจานอย่างนี้กาแฟนี่ก็แก้วหนึ่งเพีพอแต่นั้น่ะอืนเดี๋ยวนี้เราแก้วหนึ่งยังไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พอเลยหรือมันพอแต่ยังเปลียนเอาไปครึ่งเราตั้งในโต๊ะนั้นจานข้าวกิกนแต่ครึ่งเดี๋ยวตั้งในนั้นเนี่พอเดินออกไปใจเขามองว่านี่คือใครดีใจในสักหน่อย น, นะ จะไปกินหมดเก็นกโลกลโกโศกเกินไปอย่างนั้นเลยผุ่มเฟือยญ <c oughs> าติโยมเราทำบุญเมืเม่อกันแต่มาไปดูฉันวิถาีบัตรมาเต็มเท่นั้นทำไม่เกิดประโยชน์นโยมทำได้แต่มันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรถ้าหากว่าเรารู้จักการทำมาการหากินการเรียงที่ของเรา